บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนัย่แห่งอุปสมานุสติที่ได้กราบแล้วสองครั้งนั้นผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้ว่าเป็นอนุสติที่บุคคลสามารถปฏิบัติได้ในที่โทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือขั้นของการฝึกหัดพระบุราณนาจานั้นท่า น, นเรียกนิพพานไว้สองระดับระดับแรกเรียกว่านิพพานดิบระดับที่สองเรียกว่านิพพานสุขคําว่านิพพานดิบคือการปฏิบัติโดยอาศัยเนยะและความหมายของนิพพานเหล่านั้นแล้พยายามปฏิบัติ สงบประงับดับกิเลส ท, ที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆั้นถึงแม้จะเป็นการชั่วครั้งชั่วคราวก็ตามก็ถือว่าเป็นการสัมผัสส่วนหนึ่งแห่งคำานิพานส่วนนิพานสุขนั้นคือนิพานที่เป็นเป้าหมายนั้นแท้จริงซึ่งพระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้อันจำต้องอาศัยการปฏิบัติ ให้สมบูรณ์ตามหลักของอริยมรรคมีองค์แปดประการต้นนั้นในชั้นของนิพพานดิบที่โบราณท่านเรียกนั่นเองทุกคลสามารถปฏิบัติได้โดยการอาศัยสติสัมปชัญญะระลึกรู้เท่าทันสิ่งนั้นๆแล้วพยายามปฏิบัติให้สัมผัสคุณลักษณะแห่งนิพพานซึ่งเมื่อกล่าวโดยความหมายสรุป ก็มีอยู่หลายประการเช่น <c oughs> ประการแรกคือคำว่าว่างได้ในความหมายที่เต็มว่านิพานังปรามังสุญญงนิพานเป็นความว่างอย่างยิ่งข้อ น, นี้จะเห็นได้ว่าคำว่าว่างนั้นโดยความหมายที่แท้จริงก็ว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากความอะไรความเดือดร้อนต่างๆ แม้จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่นำมาซึ่งความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายแต่ท่านที่เข้าถึงความว่างคือพระนิพพานทแท้จริงนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามอำนาจของสิ่งแวดล้อมที่บังเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมาคำนึงดูถึงจุดของคำว่าว่างก็จะเห็นได้ว่ามีความโปร่งเบาสบาย เป็นการปลดปล่อยภาระความกังวลลงไปในช่วงใดช่วงหนึ่งเช่นว่าทํางานมาตลอดสัปดาห์เมื่อถึงวันหยุดที่เรียกว่าว่าง <c oughs> ก็เป็นการเบาแบ่งเบาภาระต่างๆความมีตกกังวลต่างๆที่เคยมีตลอดสัปดาห์นั้นก็เบาบางลงไป <c oughs> ในชั้นของการปฏิบัติเพื่อให้ว่างจึงสามารถจะทําได้ ในระดับที่ลดหลั่นลงมาปัจจุบันนี้เรามีคำพูดประโยคหนึ่งที่ออกจะพูดกันแพร่หลายก็คือคือคำว่าไม่ว่างจึงไม่สามารถที่จะทำภารกิจบางสิ่งบางอย่างได้แต่ถ้าเรามองให้ซึ้งลงไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าคำว่าว่างในภารกิจการงานนั้นมีไม่ได้และไม่มีใครเคยทำงานเสร็จทุกอย่างก่อนที่จะตาย เมื่อตายไปต่างคนต่างก็ทิ้งการงานเป็นอันมากที่ยังไม่เสร็จเอาไว้ดังนั้นความว่างจึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรู้จักละรู้จักวางในบางโอกาสแต่นั้นเองอย่างการที่บุคคลทั้งหลายผู้ฝ่ายทำผู้ใคร่ทำยินดีในธรรมสามารถปล่อยวางภารกิจการงานที่จะต้องจัดจะต้องทำภายในบ้านแห่งตนซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันทุกคน จะมากหรือน้อยเท่านั้นแต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วก็เห็นว่างานนั้นเป็นงานของการให้ความสุขแก่ร่างกายเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นการเก็บการสะสมทรัพย์สมบัติเป็นต้น อ, อันอันมวยผลให้เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แต่ว่าชีวิตที่มีการเดินทางไกลอันยาวนานในสังสารวัฏนั้นจําเป็นที่จะต้อง มีสิ่งที่เรียกว่าสเสบียงสมัพเลี้ยงตนไปในสัมปาจะพบภายภาคหน้าด้วยทั้งความสุขในด้านจิตใจการบำรุงจิตใจเพื่อให้เกิดมีสุขภาพใจดีจึงยิงย่งมีความจำเป็นใจก็ปล่อยวางภาระเหล่านั้นมาปฏิบัติศึกษาในหลักธรรมทางาศาสนาเยี่งาศาสนิกชนที่ดีซึ่งถ้าหากว่า เป็นการวางได้โดยเด็ดขาดในระยะหนึ่งไม่ปล่อยให้การงานเหล่านั้นเป็นต้นมากลายเป็นปริโภทื์เครื่องกังวลที่จะบั่นทอนความสงบใจแห่งตนได้แนวผลจากการวางเพื่อให้เกิดความว่างมาปฏิบัติภารกิจในฐานะศาสนิกก็จะอำนวยประโยชน์ที่พิเศษให้เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้น กว่าการไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเพราะงั้นในเรื่องนี้จะเห็นได้ว่ามีเรื่องเป็นอันมากที่ถ้าหากว่าบุคคลสามารถวางได้สามารถปล่อยไปได้ก็จะเกิดความว่างขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นอารมณ์ต่างๆที่เป็นอนดีตบางเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดับไปแล้วในอนดีตแต่บุคคลก็ยังอุ้ม อารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ทําให้จิตใจมีความเศร้าโศกบ้างความเสียดายบ้างตามลักษณะของอารมณ์ทัศนคตการอุ้มอารมณ์ไว้โดยวิธีนี้ก็ให้เกิดความไม่ว่างขึ้นภายในจิตใจเมื่อไม่ว่างก็วุ่นวุ่นก็มีความมีตกกลางวนด้วยประการต่างๆดังนั้นเมื่อต้องการจะบรรเทาความวุ่น ทั้งทางกายและทางจิตใจการหัดปล่อยหัดวางเพื่อให้เกิดความว่างจึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อสัมผัสคุณแห่งพระนิพพานโดยในยะหนึ่งจิงใครสามารถปล่อยวางได้มากเท่าไรความว่างก็จะเกิดสูงขึ้นความสงบก็จะติดตามมาเพิ่มขึ้นข้อนี้เพึงเห็นได้ว่า บุคคลบางคนที่สามารถตัดใจไม่ห่วงใยไม่อะไรในเรื่องต่างๆซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องที่แก้ไขอะไรไม่ได้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีกว่าคนที่อุ้มอารมณ์อดีตเอาไว้หรือคอยคว้าอนาคตอารมณ์ในอนาคตเอาไว้เป็นนันมากนิพพานในความหมายที่สองนั้นคือหมายถึงการตัด ซึ่งท่านเรียกคำว่าสมุจเฉททวิมุติคือจิตที่หลุดพ้นด้วยอำนาจของการตัดแต่จะถามมาตัดอะไรก็เป็นการตัดเหตุแห่งความทุกข์ลักษณะาการตัดนั้นจะตัดน้อยหรือตัดมากก็ตามก็ชื่อว่ามีผลประโยชน์ตามสมควรแก่การตัดแต่จะเปรียบเทียบการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาแล้ว ในชั้นของนิพานที่แท้จริงนั้นมีลักษณะเป็นการถอนรากถอนโคนของต้นไม้อย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าสมูลังตันหั่งอัภวิหาอิชาโตเปริณิพุโตเป็นการถอนตันหาพร้อมทั้งมูดรากแล้วก็ดับความกระหายเสียได้แต่ว่าในชั้นหนึ่งนั้นสมมุติว่ามีต้นไม้รกอยู่ บุคคลอาจจะตัดทีละเล็กทีละน้อยตัดไปได้เท่าไรความโปรง่งความสว่างก็จะบังเกิดขึ้นโดยลําดับลักษณะการตัดจึงเป็นการฝึกขัดพิจารณาเทียบเคียงให้เห็นสิ่งสองอย่างซึ่งมีลักษณะที่ขัดแย้งกันหมายความว่าโอกาสที่จะก้าวไปนั้นเป็นความดีความงามความสงบ แต่สิ่งที่ยึดเหนี่ยวเอาไว้นั้นมีลักษณะเป็นความทุกข์ทรมานแต่ทำไมคนจึงไม่สามารถจะตัดได้ก็เพราะขาดสติเป็นตัวระลึกรู้และการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นประจักษ์ถึงโทษของสิ่งที่เหนี่ยรังตนไว้กับอานิสงค์คือผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไปตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้ ในชั้นนี้ก่อนที่จะเกิดผลเป็นการตัดก็ต้องอาศัยการเลือกเฟ้นการพินิพิจารณาการเทียบเคียงระหว่างสิ่งที่ควรตัดกับสิ่งที่ควรเพิ่มให้มีขึ้นในจิตใจของตนว่ามีผลที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างอย่างบรรดาพวกกิเลสทั้งหลายที่เกินส่วนซึ่งหมายความว่ามีลักษณะรุนแรงบังเกิดขึ้นภายในจิตใจ ในชั้นของกุศลกรรมบทนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงลึกซึ้งจนถึงกับตัดกิเลสแต่แสดงในระดับของการบรรเทากิเลสเท่านั้นเองซึ่งหมายความว่าคนเรายังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับโลภอยากได้ของของคนอื่นเพราะงั้นในกรณีความโลภที่เกินส่วนคือไปอยากได้ของของของคนอื่น ก็พิจารณาเห็นโทษของความโลภในลักษณะนั้นแล้วก็ตัดส่วนที่เกินส่วนนั้นออกไป <c oughs> ความอิจฉาทิสยาที่บังเกิดขึ้นมีลักษณะเกินส่วนอยู่ในตัวของมันเองก็พยายามตัดพยายามบรรเทาไปความอาฆาตพยาบาทเป็นกิเลส ท, ที่เกินส่วนก็พยายามตัดส่วนนั้นออกไปส่วนที่เป็นอาฆาตพยาบาทส่วนเมื่อกระแทกกระทันจากอารมณ์ภายนอก บางครั้งอาจจะโกรธบ้างหรือไม่โกรธบ้าง <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของอารมณ์ความรุนแรงและความอ่อนไหวภายในจิตใจของบุคคลถึงแม้จะตัดได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตามแต่เมื่อโกรธแล้วก็ควรตัดอย่าให้ออกมาเป็นพยาบาทหรือความมาคาดจองเวรกันในด้านวิหิงสาก็เหมือนกันคือบุ่งที่จะให้เกิดความพินาศความเดือดร้อนแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นกิเลส ท, ที่เกินส่วน ก็พยายามตัดส่วนที่เกินส่วนนั้นออกไปแม้แต่ความเห็นผิดตามทํานองครองธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันตราบใดที่บุคคลยังไม่หยั่งสู่ครองแห่งพระนิพพานโอกาสที่จะเห็นผิดไปนั้นมันก็เห็นได้ง่ายเพราะขาดปัญญาเป็นหลักคือเป็นปทิบส่องใจให้เกิดความสว่างมากพอ แต่หากว่าความหลงผิดนั้นเกิดขึ้นถ้าไม่ถึงกระโนเกินส่วนก็ไม่มีผลเสียหายอะไรพักลักษณะความเห็นผิดที่เกินส่วนก็คือการปฏิเสธปาปฏิเสธปุญนปฏิเสธผลปฏิเสธเหตุต่างตลอดถึงปฏิเสธกฎแห่งสังสารวัฏนี่ถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิที่เกินส่วน ซึ่งในทางศาสนาเรียกว่านิยตมิจฉาทิติคือมิจฉาทิติที่นำคนให้ดิ่งลงสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนโดยส่วนเดียวเปรียบเสมือนหลักตอนในวัตตะไม่มีโอกาสพัฒนาชีวิตจิตใจให้มีความประณีตขึ้นไปแม้ในชีวิตนี้และในสังสารวัฏและการพยายามตัดเรื่องราวต่างๆหรือความมัวมองมุกมุ่นในเรื่องราวต่างๆ ซึ่งอาจจะเคยสนุกสนานรื่นโรมมาในวัยหนึ่งในโอกาสหนึ่งเวลานี้ขนาดนี้ในร่วมการผ่านวัยมากแล้วอะไรที่เคยสนุกสนานเพลิดเพลิน อ, อ, อยู่ในวัยหนึ่งก็พยายามตัดในเรื่องเหล่านั้นออกไปเป็นเรื่องของความเพียรพยายามที่จะตัดซึ่งถ้าหากว่าตัดได้จิตใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะเรื่องเหล่านั้นเป็นเหตุข้อนี้พึงดูตัวอย่างง่ายๆ ไม่ต้องอื่นไกลแม้แต่การตัดบุหรี่เช่นว่าความทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่นั้นมากยิ่งขึ้นไหนจะต้องมีไม้ขีดไหนจะต้องซื้อหาไหนจะต้องมีที่เคี่ยน่าจะต้องมีที่นั่งสูบเพื่อให้ไม่รบกวนคนอื่นไปต้นบางครั้งบางคราวไม่มีก็เกิดหงุดหงิดไม่สบายใจตัดเสียความทุกข์ที่เกี่ยวเนื่องกับบุหรี่ก็สงบความสิ้นเปลืองที่เกี่ยวเนื่องกับบุหรี่ก็สงบ ตอนนั้นเรื่องของวินยูชนที่แปลกันว่าผู้รู้วิเศษเือรู้แจ่มแจ้งละแก่การที่สามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆโดยถ่องแท้ชัดเจนแล้วแม้ว่าสิ่งนั้นจะมีประโยชน์แต่ว่าจะเกิดโทษแก่การดำเนินชีวิตที่สงบประนีตก็พยายามตัดสิ่งเหล่านั้นออกไป อย่างในชั้นของการปฏิบัติกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ตัดกังวลที่เรียกว่าปริโพ o o t คือเครื่องกังวลต่างๆอย่างน้อยในขณะที่นั่งอยู่ก็พยายามตัดออกไปให้ได้ไม่ว่ากังวลเรื่องบ้านเรื่องการงานเรื่องญาติญาติมิตรเรื่องโรคภยัยไข้เจ็บเรื่องอาการปวดเมื่อยตลอดถึงครอบครัวญาติพี่น้องเป็นต้นโดยเฉพาะในขณะนั้นถ้าตัดได้ จิตใจก็จะไม่วิ่งข้าวิว่งออกระหว่างอารมณ์กรรมฐานกับความห่วงใ ย, ยกังวลเหล่านั้นในยะหนึ่งที่สามารถฝึกได้ก็คือความหมายที่เรียกว่าสงบ <c oughs> นิพพานที่แปลว่าสงบนั้นก็ได้ในความหมายที่ว่านัตสันติประลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ข้อนี้จะเห็นได้ว่าในชั้นของศีลบุคคลก็สามารถสัมผัสความสงบได้ในชั้นหนึ่งได้แก่สงบระงับดับเวยดับภัยดับการเบียดเบียนการประทุร้ายกันในชั้นของจิตใจถ้าหากว่าบุคคลสามารถสงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าสึกต่อความสงบได้ก็ชื่อว่าเป็นการสัมผัสคุณของนิพพานในชั้นหนึ่ง พึงสังเกตว่าลักษณะของอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นภายในจิตใจนั้นจะออกมาสี่ลักษณะด้วยกันลักษณะหนึ่งก็คือเกิดกำหนับอารมณ์ที่เกิดกำหนัดเกิดจินตีเกิดพอใจชอบใจคิดฝ่ายขวัญทั้งสิ่งนั้นทั้งที่ผ่านมาแล้วทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและทั้งฝ่ายคว้ า, วาอนาคตอารมณ์เหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นก็จะทําทให้จิตใจสายไปในอารมณ์นั้นๆ วิธีสงบก็คือหยุดความคิดเหล่านั้นซึ่งแน่นอนในการหยุดนั้นไม่จะหยุดได้ง่ายเพราะว่าใจยังต้องคิดอารมณ์ท่านก็แก้ทางทำนองเอาแสงสว่างกระจัดความมืดซึ่งหมายถึงพยายามคิดในทำนองตรงกันครับโดยการให้จิตสงบอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเพิ่มพูนสตัทธายสูงขึ้นภายในจิตใจของตน เพราะลักษณะของจิตที่สายไปในอารมณ์ดังกล่าวนั้นอุปมาเหมือนกับ น, น้าที่ย้อมสีแต่ศรัทธานั้นอุปมาเหมือนน้ำที่ใสสะอาดต่ความใสสะอาดน้ำที่ใสสะอาดซึ่งบุคคลใส่ลงไปในน้ำที่ย้อมสีนั้นถ้าปริมาณมันมากเข้าในที่สุดสีในน้ำนั้นจะจางลงจางลงโดยลาดับจนกลายเป็นน้ำที่สะอาดคิดมาได้นี้ก็คือการ <c oughs> พยายามสงบความคิดโดยการวินิจฉัยอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆอีกประการหนึ่งก็คืออารมณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดเคืองเกิดขึ้นมาจากแรงกระตุ้นของกิเลสสายโทสะเห็นว่าอารมณ์มีลักษณะนั้นปรากฏ ข, ขึ้นมีความร้าร้อนแผดเผาก็สงบสงบความคิดอารมณ์เหล่านั้นเสีคือหยุดความคิดไว้ การจะแก้ก็คือแก้โดยเมตตาขันติอดทนและให้อภัยแนวความคิดหนึ่งออกมาในลักษณะที่รุ่มหลงคือไม่เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลตึงความจริงในเรื่องเหล่านั้นในข้อนี้จำเป็นจะต้องอาศัยหลักที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคือทำไว้ในใจด้วยอุบายนแยบขายบ้าง เรียกว่าวิมังสาที่มันตรองพิจารณาหาเหตุหาผลหาแง่มุมของสิ่งต่างๆเหล่านั้นบ้า ง, า ง, า ง, างมีการศึกษาสำนิกโ ด, ดยการสอบถามโดยการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับท่านผู้รู้ทั้งหลายเป็นต้นบ้างอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงก็จะบันเทาบาบางลงไปวิธีที่จะแก้ไขโดยในยะนี้ก็อาจจะอาศัยการ ปฏิบัติตามหลักของสมถะกรรมฐานที่ปฏิบัติกันอยู่ก็ได้อีกอรมหนึ่งคือก่อให้เกิดความมัวเมาได้แก่ความประมาทเผลอเร่อพลังพลาดหลงลืมซึ่งเป็นอาการที่เรียกว่าขาดสติหลักเหล่านี้วิธีแก้ง่ายที่สุดก็คือหลักของอนาปานสติเผลนว่าจิตใจชักสับสนมากแล้วคุมทิศทางอะไรไม่ค่อยได้ ก็หยุดมามณสิการถึงอารมณ์กรรมาฐานซึ่งอาจจะภาวนาวัพุโทโธกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดนับลมหรือตั้งจุดที่ลมกระทบแล้วก็ระลึกอยู่ที่จุดนั้นเป็นต้นอย่างที่ปฏิบัติกันก็สามารถสงบใจจากอารมณ์เหล่านั้นได้ในกรณีนี้มันก็ข้อสำคัญก็อยู่ที่การเลือกเฟ้นอารมณ์ อารมบางอย่างเป็นการเพิ่มพูนคุณภาพของจิตใจก็พยายามประครับประคองเพิ่มพูนขึ้นในส่วนที่บั่นทอนสุขภาพจิตซึ่งมีลักษณะ4ประการดังกล่าวแล้วก็พยายามแก้ทางอารมณ์เหล่า น, นั้นด้วยการสงบคือไม่คิดถึงอารมณ์เหล่า น, นั้นนิพานในความหมายหนึ่งนั้นก็นือคือในความหมายวาจุดข้อนี้ เมื่อเทวดาตนหนึ่งได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทำอย่างไรจึงชื่อว่าได้ถึงฝั่งแห่งพนิพพานแต่ในขณะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วคือถึงนิพพานแล้วพระองค์ได้แสดงว่าเราไม่พยายามแล้วไม่หยุดจู่จึงได้ถึงนิพพานแล้วซึ่งก็หมายความว่าเมื่อถึงนิพพานแล้วถ้าขืนพยายามก็เลยไป แต่ในขณะที่ยังไม่ถึงท่าหยุดก็ไม่ถึงแต่ข้อที่พึงสังเกตว่าพระพุทธเจ้ารับสั่งเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วคือถึงนิพพานแล้วแต่ในความหมายหนึ่งนั้นอย่างที่ทรงแสดงแก่โจรองคุลิมานซึ่งไล่พระองค์ไปโจรองคุลิมานก็บอกว่าสมณะหยุดก่อนพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าเราหยุดแล้ว แต่เธอยังไม่หยุดจนองคุลิมานก็เกิดงโฉนจใจเพราะในขณะที่รับสั่งก็ยังเสด็จดำเนินไปอยู่จึงถามขึ้นไปอีกว่าทำไมพระองค์จึงกล่าวข้าพเจ้าซึ่งหยุดแล้วว่ายังไม่หยุดแต่กล่าวพระองค์ซึ่งกำลังเดินอยู่ว่าหยุดแล้วพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าเราหยุดแล้วจากการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนศาสกราร์และทุสรายศา์เป็นต้น มีสัตรานวางแล้วมีอาวุธันวางแล้วมีเครื่องประหารนันวางแล้วถึงความสั่รวมระวังในสัตว์ทั้งหลายจริงได้ช่อว่าหยุดล้โดยนัยยะแห่งพระพุทธภาสิทธิ์ข้อนี้เป็นการชี้ลักษณะของนิพพานก็คือหยุดได้กาหยุดหมุนไปตามอํานาจของกิเลสตามอำนาจของอารมณ์ต่างๆไม่ว่าอารมณ์เหล่านั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ก็หยุดได้แล้ว จนถึงหยุดวัตตะคือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอย่างที่ทรงแสดงไว้ในตอนท้ายของธรรมจักที่เคยกล่าวมาแล้วว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่ได้มีแต่คำว่าหยุดจึงหมายถึงการหยุดทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นซึ่งข้อนี้ก็ต้องอาศัยการวิเคราะห์วิจารณตัวเอง และพิจนารณาดูว่ามีพฤติกรรมใดที่แสดงออกมาทางกายทางวาจามันเป็นสาเหตุแห่งความเดือดร้อนเป็นสาเหตุแห่งความแตกแยกความทุกข์ทรมานการสูญเสียความสงบภายในจิตใจและสูญเสียความสงบภายในครอบครัวก็พยายามหยุดลักษณะาอาการเหล่านั้นออกไปซึ่งก็หมายความว่า สิ่งใดก็ตามที่เป็นโทษมีผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนเมื่อเดือดร้อนแก่ตนเองก็ต้องเดือดร้อนแก่บุคคลอื่นสืบไปบุคคลก็ต้องอาศัยสติเป็นตัวระลึกถึงอารมณ์เหล่านั้นด้วยการกระทาเหล่านั้นตลอดถึงพฤติกรรมเหล่านั้นแล้วก็หยุดความคิดหยุดพฤติกรรมการกระทาต่าง เป็นการปิดกระแสะแห่งเวรแห่งภัยแห่งความเดือดร้อนทั้งกายใจและหยุดเหล่านี้ก็หยุดกันไปเรื่อยๆตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติผลของนิพพานอีกประการหนึ่งก็คือเจน็นพระพุทมีพระภาคเจ้าทรงอุปมาลักษณะของขติคือภพภูมิต่างๆเอาไว้เจนอุปมาณรกว่าเหมือนหลุมที่ประกอบด้วยหลุมด้วยฐานเพลงิง อุปมาสวรรค์ว่าเหมือนกับปราสาทอุปมาอนิพพานว่าเหมือนกับสะบกรณีซึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่าสระโบกรณีที่บุคคลลงไปอาบไปดื่มนั้นให้ความสะอาดให้ความสงบให้ความเชื่เจริงแก่ผู้ที่ลงไปในสระโบกรณีสิ่งต่างๆที่แวดล้อมสระโบกรณีอยู่ ก็มีสายลมที่อ่อนให้ความเยือกเย็นแก่บุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้นลักษณะเย็นจึงตรงกันข้ามกับลักษณะร้อนความร้อนนั้นเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ซึ่งทรงแสดงไว้โดยพิสดารเมื่อกล่าวโดยสรุปก็มีอยู่สองฝ่ายคือเพลิงกิเลสก็มีสามกองเพลิงทุกข์ก็มีอยู่แดกอง เพลิงกิเลสได้แก่ราคะโทสะโมหะเพลิงทุกข์ก็อย่างที่สวดการในธรรมวัดเช้าคิชาติเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์เป็นต้นแต่เมื่อกล่าวโดยการความสงบเย็นที่แท้จริงก็สงบเย็นจากการบรรเทาความรุนแรงแห่งกิเลสเหล่านั้นจะถึงดับกิเลสเหล่านั้นได้ แต่ในชั้นของการฝึกนิพพานหรือสัมผัสนิพพานดิบนั้นก็คือการพยายามดับความยึดความถือในสิ่งต่างๆโดยไม่เอาจริงเอาจังกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปอย่างน้อยก็ไม่กําหนดหมายในแง่เดียวคือเตรียมใจรับอีกฝากหนึ่งเอาไว้อย่างที่โลกธรรมมันเกิดขึ้นแก่พระรีเจ้า เมื่อเกิดขึ้นท่านก็เตรียมใจยอมรับว่าโลกธรรมเกิดขึ้นแลกแก่เรามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งนี้โดยสภาพแล้วเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปลีนไปเป็นธรรมดาเกิดก็คือเกิดดับก็คือดับจิตใจจะไม่ฟูขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแต่จะไม่พุบงโลงเมื่อมันดับไปเพราะสิ่งนั้นเป็นปกติธรรมดาการเตรียมใจยอมรับความจริงในลักษณะนี้จะช่วยให้รู้จักปล่อยรู้จักวางไปได้ ความเยืกเย็นทั้งทางกายและทางจิตใจก็จะบังเกิดขึ้นโดยนิย่าแห่งนิพานที่กล่าวมาทั้งห้าประการนี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมจะเห็นได้ว่าบรรดารมณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับตนอยู่นั้นถ้าหากว่ามีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ทันแล้วบุคคลสามารถตัดบุคคลสามารถสงบบุคคลสามารถปล่อยวาง เพื่อให้เกิดเป็นความว่างเขมึ้นมาได้ความเย็นกายเย็นใจก็จะบังเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อตนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป